เหตที่ได้มาฟังหลวงพ่อเนี่ยนะมีพระที่อยู่วัดเดียวกันเนี่ยแนะนําท่านอาจารย์ดูเว็บนี้สิอ่านนี่ตอนนั้นเป็นข้อเขียนของท่านตอนที่ยังไม่บวชเออเอเข้าท่าดีเข้าท่าดีาาดพอเห็นเราอ่านแล้วบอกว่าเข้าท่านะพระท่านก็บอกว่าท่านอาจารย์อยากฟังเสียงไหมแน่มีค่อยๆปล่อยทีละทีละขยักขยักนะ อยากฟังเสียง เ, เออลองฟังดู<ๆ>ตอนนี้ท่านบวชแล้วเนี่ยหมอตอนนั้นอ่ะท่านเขียนตอนเป็นคาราวาตอนนี้ท่านบวชแล้วอยู่เมืองการตอนนั้นอยู่เมืองการอลไหนลองฟังเลยสิอยากฟังท่านเทพ<ๆ>เทพเป็นยังไงท่านก็เอามาเป็นซีดีเปิดให้ฟังฟังไปฟังไปตั้งนานละสิบกว่านาทีแล้วนะพระท่านก็เข้ามาถามเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ฟังแล้วเป็นไงบ้างไม่เห็นท่านเทพเลย ใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อสมัยเก่าๆไหมสมัยอยู่เมืองการเนี่ยนะคือทั ก, ท, ก, ท, กทักคนนู้นทักคนนี้หลงไปแล้วเผลอไปแล้วเพ่งไปแล้ววนๆอยู่แค่เนี้เราก็บอกไม่เห็นเทศเลยยัง ไ, ไอ่เทศของเราคือต้องนโมตัสสะปะกวาโตระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะต้องขึ้นนมโมก่อนเหมือนทํามาะขึ้นทํามะเทศอย่างมันเนี้ยอาตมาเนี้ยสองามวันเนี้ยยังไม่ได้เทศเลยเพราะยังไม่ได้ตั้งนมโม ความรู้สึกของเราคือพระเทศคือต้องขึ้นธรรมธาตตั้งน้ำโมอะไรเงี้ยแล้วก็เทศยาวพระท่านบอกว่านั่นแหละกําลังเทศอยู่ที่กำลังที่กำลังคุยกับโยมคือกําลังสอนโยมอยู่อ๋อเหรองั้นตั้งใจฟังเมื่อกี้เหมือนยังไม่มีน้ำโ ม, มเลยไม่ยังยังไม่ได้ตั้งใจฟัง <laughs> อ่ะงั้นฟังฟังไปฟังไป ังปุดฉาขึ้นมานะคำถามขึ้นหมายคำถามตัวโตๆขึ้นมาในในในใจเลยคือลัทธิอะไรอีกแล้ว <C> e <ars> คือสอนไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไม่เหมือนวัดอื่นไม่เหมือนชาวบ้านแนวนี้ไม่เคยได้ยินแล้วตอนนั้นเนี่ยทำงานในในสวนกลางกา ร, การเผยแพร่ก็จะมีคนฝากเผยแพร่และนี่สงสยัยมาฝากเผยแพรออแล้วตั้งสองตั้งข้อสงสัยนะนะว่า ลัทธิอะไรอีกแล้วมาสอนอะไรอีกแล้วแนวนี้เนี่ยมันยังไงกันแน่เดี๋ยวขอดูหน่อยขอฟังหน่อยพระท่านก็เอาไมา้ฟังเงี้นะขอศึกษาดูว่าลัทธินี้เขาเป็นแนวไหนฟังไปฟังไปเอ๊ะทางก็สอนถูกเพปยนแต่ว่ามีการทักมีมีการทั ก, ม, ม, ก, กมั่วหรือเปล่านึกในใจนะมั่วหรือเปล่าทักหลงแล้วลงแล้วเนี่ย เอ้เราก็ทักได้นะหลงแล้วเนี่ยนะมัวมัวเอาได้นะหลงแล้วหลงแล้วทักได้ทักได้มันสามารถมัวได้ในใจเนึ่ยนะมันมัวได้อันนี้มันมัวได้แต่พอบางบางอันเนี่ยนะจําไม่ได้ว่าตอนนั้นท่านทักอะไรเออย่างงี้มัวไม่ได้อันนี้อันนี้มันต้องมันต้องเห็นอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ท่านน่าจะรู้จริงรู้สึกนี้นะท่านน่าจะรู้จริงพอเราบอกว่าเฮ้ยเ mm hmm. ข้าท่าเข้าท่าแต่ยังน่าสงสัยอยู่บางจุด mm hmm. ยังน่าสงสัยอยู่บางจุด mm hmm. เพราะว่าแนวทางการสอนเนี่ยแปลกพระท่านก็บอกว่ามีหนังสือด้วยนะครับอยากอ่านไหมมาทีละขยักนะ mm hmm. จากให้อ่านเว็บม า, มาฟังซีดีแล้วก็เอาหนังสือมาให้อ่านเพราะอ่านาเล่มนั้นนะ ชื่อว่าวิถีแห่งความรู้แจ้งเคยอ่านไหมเคยได้ยินไหมอ่านก็ได้ใครเคยอ่านบ้างมีไหมใครไม่เคยอ่านแต่เคยฟังมีไหมอัตมาอ่านเองอ่านบันทึกลงซีดีโฆษณาหน่อย <c oughs> ในนั้นเนี่ยอธิบายอธิบายเรื่องการเจริญสติอะไรต่างๆนานา ม, มานันเลยนะอ่านแล้วก็เห็นด้วยอืมใช่ใช่ใช่ ใช่ามาตลอดเลยมาถึงตอนกลางๆเล่มกลางๆเล่มท่านอธิบายถึงคำว่าสติเป็นยังไงสติคือรู้รู้คืออะไรนะรู้คือไม่หลงโอ้ใช่อันนี้สบายมากยอมรับรู้คือไม่หลงรู้คือไม่คิด ใช่ไหมรู้คือไม่คิดใช่ง่ายโอเคถ้าคิดอยู่นะี่ไม่รู้หรอกเพราะมันเผลอคิดไปรู้คือไม่เพ่งตานี่งงตอนนั้นคือแบบเฮ้ยอะไรวะคำสอนในในก่อนหน้าที่จะมาอ่านหนังสือเล่มนี้คือเขาสอนให้เพ่งกัะนอะแล้วที่ผ่านมาตอนนั้นสิบกว่าพาษาแล้วนะเพ่งมา แล้คิดว่าเพ่งนะถูกแล้วหลายคนในที่นี้ก็เพง่งฝึกแบบเพ่งมาแล้วคิดว่าเพ่งนะถูกแต่ตอนเพ่งนะ่ะไม่ใช่รู้นะคือมีการกระทําอย่างหนึ่งคือไปบังคับเอาไว้เพ่งเอาไว้มีการกระทําที่ไม่ใช่รู้มันเป็นการเพง่งแต่ตอนอ่านตอนนั้นนะนะเอ๋ยังไงละปิดหนังสือก่อน อ่านตรงนี้มันมีคนเยอะไม่ได้อ่านเรื่องนี้นะจะต้องอ่านด้วยใจที่สงบและเปิดทำใจกว้างๆเปิดๆแล้วก็ขอเรียนรู้ถ้าอ่านตอนนี้เนี่ยมันสมาธิไม่พอที่จะมามารับเรื่องราวธรรมะซึ่งขัดแย้งกับความรู้สึกในขณะนั้นปิดขึ้นห้องนอน ขึ้นห้องนอนไปอ่านนะไม่ใช่นอนนะขึ้นห้องนอนไม่ใช่เอา ม, มนุนฝันอะไรไม่ใช่ยังั้นขออยู่คนเดียวทําใจกว้างๆแล้วก็ขอเรียนรู้ว่าท่านบอกอะไรรู้ไม่ใช่เพ่งก็อ่านไปเพ่งคือการจงใจทําอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งเอาจิตจงใจอยู่จุดใดจุดหนึ่งเพ่งเออใช่ ถ้าทำอย่างนั้นไม่ใช่รู้เอ๊ะแล้วยังไงล่ะดูดูตอปอีกรู้ไม่ใช่กำหนดงงใหญ่เลยนะไอ้อ่านว่ารู้ไม่ใช่เพ่งนี่ก็งงแล้วนะรู้ไม่ใช่กำหนดที่เราฟังมาเลยนะให้กาหนดรู้ให้เพ่งเอาไว้แล้วเราก็กำหนดนั่นแหละทำมาหมดเลยทั้งเพง่งทั้งกำหนดเลยทำไมกาหนดไม่ได้อะแล้วทั้งก็บอกว่ากาหนดเนี่ยคือกด คือออกอาการออกแรงกระทำเหมือนกันคล้ายๆกับเพ่งมัน ก, ก็มีการออกแรงบังคับคล้ายๆกับเพ่งอาตมาอธิบายจะไม่เหมือนในหนังสือนะใครอยากเห็ น, นารายละเอียดที่ตรงๆไปอ่านหนังสือเอาหรือใครไม่อยากอ่านไปเปิดซีดีฟังเอาใครไม่มีซีดีไปโหลดมีไหมในเว็บมีมุมดมีไหมธรรมดาเ อ, อ๊ะธรรมะ .com น่าจะมีนะ ที่ไปฟังเพราะว่าเสียงอาตมาเองเลยรู้ว่าที่เราทานะผิดตอนรู้ว่าผิดแปลกมากเลยใจโลง่งถ้าเราทําผิดเนี่ยเราจะรู้ว่ารู้สึกป่อแป้ในใจใช่ไหมแต่พอรู้ว่าผิดเนี่ยใจโลง่งตอนนั้นรู้สึกโลก่งเฮ้ยที่ทำมาผิดมันแปลกนะรู้ว่าผิด มันคือรู้รู้ว่าผิดนี่คือรู้ถ้าผิดอยู่แล้วไม่รู้ทำอยู่เนี่ยนะคือไม่รู้รู้ว่าเมื่อกี้ทำผิดไอตอนผิดคือผิดแต่ตอนรู้ว่าผิดคือรู้อ่านแล้วรู้ว่าเราที่ผ่านมาผิดโล่งโล่งนี่ปิดหนังสือทนอ่านต่อไม่ได้เดินตัวเบาลงมา <laughs> พ่อเรารู้แล้วว่าที่เราทํามาผิดดีใจใครมาวันนี้สองวันแล้วเนี่ยได้รู้ตัวนี้บ้างไหมรู้ว่าตัวเองทงนะําผิดเนี่ยมันโล่งนะรู้ว่าผิดนี่มันดีนะเหมือนเอดิสันรู้จักเอดิสันไหมเอดิสันเนี่ยทำอะไรผลงานเขาคือหลอดไฟใช่ไหมกว่าจะได้หลอดไฟมาเนี่ยนะ เขาลองผิดเป็นครั้งๆเป็นพันๆครั้งลองแล้วไม่ได้ผลลองแล้วไม่ได้ผลมีคนมาสัมภาษณ์รู้สึกยังไงบ้างที่ล้มเหลวมาตลอดหลายพันครั้งบอกคุณพูดใหม่นะผมไม่ได้ล้มเหลวนะผมรู้ว่าวิธีนั้นมันใช่ไม่ได้หรือว่ามันผิดแล้วไม่ทําอีกเข้าใจไหมมันไม่ใช่ล้มเหลวนะรู้ว่าผิดคือรู้ว่าทําอย่างนั้นนะ่ะไม่ได้ผล เพ่งไว้มันได้ตั้งตั้งแช่อยู่หน่อยนึงนะพอหมดแรงเพ่งนะฟุ้งซ่านใหม่ถ้าเราคิดว่าทางนี้ถูกนะก็เพ่งแช่ฟุ้งเพ่งแช่ฟ úng, ชุ้งแช่วับแช่วับอย่างนั้นนหะใครอยู่ธรรมศาสตรก็แ ช, ช่วับแช่วับนะใครอยู่จุฬาก็อะไรบากา เป็นอย่างนี้นะประโยชน์ของการรู้ว่าผิดคือโล่งแล้วเราจะไม่ผิดอีกแต่จริงๆแล้วผิดอีกนะเพราะว่าอาตมาเนี่ยเคยชินกับการเพ่งและกําหนดเพราะฉะนั้นจิตที่มันชินมันก็คิดว่าถ้าเราจะเริ่มปฏิบัติอีกก็คือพอคิดถึงการปฏิบัติพอคิดถึงการปฏิบัติ ก, ตก็โดยอัตโตนมัติเพ่ง กำหนดเอาไว้และคิดว่านิ่งดีสงบดีสุขดีทำมันต่ออย่างเงี้ยจนมาเรียนกับหลวงพ่อนะเป็นบุญหนุนนำส่งเหลือเกินไม่คิดว่าจะได้มาเรียนกับครูบาอาจารย์แบบนี้อย่างไกล้ชิดอย่างนี้ท่านก็ทักคอยทักอยู่เรื่อยๆ เพ่งไปแล้วครับเผยไปแล้วครับเพ่งไปแล้วครั บ, รบอาจารย์อย่าไปทำครับแค่กระทำคิดว่าจะทำคิดว่าจะปฏิบัติมีการปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่รู้เฉยๆไม่ใช่รู้ซื่อๆท่านก็ทักบางทีก็งงอะไรท่านทักอะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่จริงๆมันคือทำไปแล้วโดยความเคยชิน